บทที่หนามรูปเป็นปัจใจให้เกิดสลายตนะนามรูปกับสลายตนะนามรูปเป็นปัจใจให้เกิดสลายตนะข้อนี้เป็นธรรมที่ลึกซึง้งยากแก่การเข้าใจในที่นี้นามรูปหมายถึงเจตสิก ข, ขันสา3คือเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันและรูปหมายถึงธาตุทั้งสี่คือ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมวัตถุรูปหกได้แก่รูปอันเป็นที่ตั้งของจิตคือตาหูจมูกลิ้นกายและหัยวัตถุรวมไปถึงชีวิตรูปและอาหารรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะหรือประสาทรูปห้าตาหูจมูกลิ้นและกายใจ อายตนะเหล่านี้เป็นประตูที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของวิถีจิตตามปกติในโลกแห่งนามธรรมานั้นจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งตายจะต้องมีเจตสิกประกอบด้วยเสมอแต่ความรู้เช่นนี้ปุถุชนทั่วไปไม่สามารถอย่างเห็นได้จึงคงเป็นเพียงความรู้ตามตำรา จนกว่าบุคคลนั้นจะสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้วจึงจะเห็นแจ้งได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ในทุกชีวิตย่อมประกอบขึ้นด้วยนามและรูปวิปากจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมาย่อมเกิดโดยมีเจตสิกที่ประกอบร่วมกันเป็นผู้อุปถมัมพวิปากจิตหมายถึง จิตที่สักแต่เห็นได้ยินเป็นต้นซึ่งรับรู้อารมณ์ทั้งดีและไม่ดีในที่นี้จิตที่ทำหน้าที่เห็นไม่สามารถเกิดขึ้นโดยลำพังแต่ต้องมีมนสิการเจตสิกทำหน้าที่ใส่อารมณ์ต้องมีผัสสะเจตสิกทำหน้าที่กระทบสัมผัสกับอารมณ์และต้องมีเจตนาเจตสิกที่ต้องการจะดู หรือต้องการจะได้ยินจะขู่วิญญาณจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีเจตสิกที่เหมาะสมเกิดขึ้นพร้อมกันในภาษาบาลีเรียกปัจจัยโดยการเกิดขึ้นรวมกันว่าสหชะต ป, ปัจจัยอุปมาเหมือนการยกของหนักชิ้นหนึ่งต้องใช้บุรุษสี่คนช่วยกันยกหากบุรุษที่เป็นหัวหน้าพยายามยกเพียงผู้เดียว จะไม่สามารถยกขึ้นได้วิญญาณซึ่งเป็นเหมือนหัวหน้าในการเห็นก็เช่นเดียวกันย่อมไม่สามารถกระทําการได้โดยลำพังหากแต่ต้องมีเจตสิกต่างๆทำงานร่วมด้วยอีกประการหนึ่งเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับจิตย่อมมีส่วนช่วยอุปธรรมให้เกิดอายตนะภายในทั้งห้า คือตาหูจมูกลิ้นและกายในขณะปฏิสนธิแม้ว่าในขณะปฏิสนธิจะมีเพียงกายหรือรูปเท่านั้นแต่ในการปฏิสนธิอย่างอื่นนอกจากคับภาษสญา ก, กะกำเนิดย่อมมีอายตนะทั้งห้าเกิดขึ้นพร้อมโมนในขณะปฏิสนธิการเป็นปัจจัยของจิตและเจตสิก แกอายตนะในขณะปฏิสนธิย่อมเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแต่ควรยอมรับในข้อนี้เพราะเป็นคําสอนของพระพุทธองค์สําหรับในขณะอื่นนอกจากขณะปฏิสนธิวิปากจิตและจิตประเภทอื่นย่อมช่วยอุปธรรมอายตนะทั้งหให้ดํารงอยู่ต่อไปได้เพราะรูปดํารงอยู่ ไม่ได้โดยไม่มีนามเป็นปัจจัยรูปเป็นเหตุให้เกิดอายตนะปฏิสนธิวิญญาณมีหัตทยวัตถุที่อยู่ในเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจเป็นที่อาศัยเกิดมานายายตนะจึงอาศัยรูปเกิดขึ้น ส่วนมานายตนะคือจากขวิญญาณเป็นต้นที่ทำหน้าที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสและกระทบสัมผัสก็อาศัยตาและหูเป็นต้นเป็นที่เกิดนอกจากนั้นมานายตนะคือเจตที่คิดนึกรับรู้อารมณ์ทางใจก็มีหัตยวัตถุเป็นฐานที่เกิดเช่นกัน รูปยังเป็นเหตุเกิดของอายตนะคือรูปเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นอุปาทายรูปรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดทั้งหมดเช่นตาและรูปารมณ์เป็นต้นก็ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ซึ่งได้แก่ปัวีอาโปเตโชและวายโยภาษาทรูปห้าคือตาหูจมูกลิ้นและกาย ก็อาศัยมหาภูตรูปสี่รูปดังกล่าวเป็นกรร ม, มชรูปรูปเกิดจากกรรมย่อมอาศัยชีวิตรูปเป็นสมุดฐานชีวิตรูปเป็ น, นกลไกที่ทําหน้าที่อุปถัมภ์กรร ม, มชรูปทั้งหมดให้ตั้งอยู่ตราบจนสิ้นอายุไขเหมือนน้ําหล่อเลี้ยงดอกบัวไว้นอกจากนี้ภาษาทรูปห้าเหล่านั้น ยังอาศัยอาหารรูปเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกล่าวโดยสรุปคือจิตวิญญาณมีเจตสิกสามดวงเป็นปัจจัยหลักที่ปรากฏชัดเจนแก่คนทั่วไปคือมนสิการผัสสะและเจตนาในบางคราวอาจมีความทยานอยากความขัดเคืองความยึดมั่นในตัวตน ความสงสัยในพระรัตนตรยัยความฟุ้งซ่านความเดือดร้อนใจความอิจฉาริษยาความกังวลและความหวาดกลัวเป็นต้นเกิดขึ้นในจิตอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีเจตสิกไฟอากุศลเป็นปัจจัยในทำนองเดียวกันบางคราวอาจเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ความระลึกถึงความดีความละอายบาปความกลัวผลของบาปความปล่อยวางไม่โลภความเมตตาความการณาความพรอยยินดีในผลสำเร็จของคนอื่นและความเข้าใจกฎแห่งกรรมตลอดจนถึงความอย่างเห็นในเรื่องอนิจจังทุกขังและอนัตตาเป็นต้น อาการเหล่านี้เกิดจากเจตสิกฝ่ายกุศลเป็นปัจจัยดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้ว่าวิญญาณมีเจตสิกฝ่ายกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยปรุงแต่งแม้ประษาทรูปห้าคือจักขุวิญญาณก็ยังมีจกักขุภาษาทรูปเป็นปัจจัยปรุงแต่งดังนี้เป็นต้นจึงเห็นได้ชัดว่า มนายตนะมีนามรูปเป็นปัจจัยตามสมควรจิตเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้สัตว์โลกมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นอายตนะห้าซึ่งเป็นปัจจัยแก่ภาษาทรูปหจึงมีจิตเป็นปัจจัยแต่ภาษาทรูปหก็ไม่สามารถดํารงอยู่ได้โดยปราศจากกายาเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกับความเงาของกระจก ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีกระจกดังนั้นจกักขุปภาษาทรูปจึงต้องมีรูปหยาบเป็นที่ตั้งอาศัยคือปฐวีความแข็งอ่อนหนักอาโปความไหลเกาะกลุมเตโชวความร้อนเย็นเบาและวายโยความหย่อนตึงกล่าวโดยย่อ ก, ก็คือ ดวงตามีสภาวะแข็งของปฏเทวีธาตุสภาวะเกาะกลุมเป็นรูปร่างของอาโปธาตุสภาวะที่เป็นอุณหภูมิของเตโชธาตุและสภาวะตึงของวาโยธาตุกล่าวอีกในหนึ่งคือดวงตาสามารถเห็นได้เพราะอาศัยรูปหยาบของตาการได้ยินของหูและการได้กลิ่นของจมกูกก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นชีวิตจะดำรงอยู่ได้โดยไม่ขาดตอนก็ด้วยการอุปถัมภ์ของชีวิตรูปพลังชีวิตและอาหารทั้งหมดที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าอายตนะรูปห้าเกิดขึ้นเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยส่วน อ, ยน า, อนายตนะหกคือมณายตนะซึ่งหมายถึงการคิดการพิจารณา และความตั้งใจเป็นต้นมีเจตสิกเป็นฝ่ายกุศลและอกุศลเช่นศรัทธาความโลภและเจตสิกอื่นๆที่ประกอบร่วมกันเช่นผัสสะการกระทบอารมณ์ตลอดจนหัตยวัตถุเป็นปัจจัยมะนายตนะมีผวังขจิตซึ่งเป็นที่เกิดของมโนทวานวิถีเป็นสมุทฐาน เพราะเกิดขึ้นต่อพวังคจิตแม้พวังคจิตก็อาศัยเชตสิทธิ์ที่ประกอบร่วมกันกับรูปเป็นสมุทฐานดังนั้นอยนายตนะภายในทั้งหกจึงอาศัยนามรูปเกิดขึ้นตามสมควรสรุปความในปฏิจจสมุบาท จักยัตนะที่เรียกว่าจากักุปัสสทรูปอาศัยนามคือมนสิการเจตนาและผัสสะเป็นต้นเกิดขึ้นโดยไม่เกิดในร่างกายหรือวัต ถ, ถุสิ่งของที่ปราศจากชีวิตอีกทั้งอย่างอาศัยมหาตะรูปคือดวงตาพร้อมทั้งชีวิตรูปและอาหารรูปอีกด้วย ส่วนมนายาตนะคือจิตที่เกิดขึ้นในขณะเห็นอาศัยนามมีมณสิการเป็นต้นและดวงตาเกิดขึ้นสำหรับอายตนะอื่นๆก็เช่นกันอายตนะหกจึงมีนามรูปเป็นปัจจัยผู้ที่สามารถอย่างเห็นได้ว่าอายตนะหกเกิดมาจากนามรูปนั้นมีเพียงพระโพธิสัตว์ผู้กำลังจะตรัสรู้เท่านั้น ในบรรดาพระสาวกแม้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผู้เป็นอครสาวกก็คงจะไม่เข้าใจได้ท่องแท้ก่อนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจะเห็นได้ว่าท่านอุปติสสะปริพาชกซึ่งต่อมาคือพระสารีบุตรได้บรรลุระโสาดาบันเมื่อได้ฟังคาถาจากพระสศชชิเถระ คาถาดังกล่าวมีใจความว่ารำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระธถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นและตรัสความดับไปของธรรมเหล่านั้นในเรื่องกล่าวว่าท่านอุปติสสะและท่านโกริตะซึ่งต่อมาคือพระมหาโมคคลานะผู้เป็นสหายต่างก็ได้บรรลุพระโสดาบัน หลังจากได้ฟังคาถานี้เพียงครึ่งคาถาเท่านั้นแต่ทั้งสองท่านคงมิได้ใกล้ครวญลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักปฏิจจสมุปบาทในช่วงเวลาอันสั้นนี้พระอัฏฐกถาจารย์ได้รจนาอธิบายคาถานี้โดยรวมเข้าไว้ในอริยสัจสีข้อความว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดหมายถึงทุกขสัจ คือโอปทานขันห้าซึ่งมีรากเง่ามาจากปัญหาเหตุที่กล่าวถึงในคาถาหมายถึงปัญหาอันเป็นความดิ้นรนทยานอยากซึ่งเป็นเหตุของทุกข์ความดับไปของธรรมเหล่านั้นหมายถึงความดับทุกข์และทางดําเนินไปสู่ความดับทุกข์ดังนั้นคาถานี้จึงแสดงโดยย่อถึงอริยสัจสี่อันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดของทุกข์ ความดับทุกข์และทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ในยุคสมัยนั้นมีหลายลทัทธิที่สอนความเชื่อเกี่ยวกับอัตตาหรือวิญญาณแตกต่างกันไปเช่นบางลทัทธิเชื่อว่ามีวิญญาณที่เป็นอมตะเมื่อตายแล้ววิญญาณจะย้ายร่างเก่าไปสู่ร่างใหม่บางก็จะเชื่อว่าวิญญาณสูญสลายไปหลังจากร่างกายแตกหรือถูกทาลาย บางเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างวิญญาณและวิญญาณจะคงอยู่ชัว่วนิรันดร์เป็นต้นในคาถานี้กล่าวชัดว่าทั้งสิ้นมีเพียงเหตุและผลเท่านั้นจะได้ปฏิเสธความเห็นว่าวิญญาณมีอมะตะหรือวิญญาณขาดศูนย์คสอนนี้ช่วยให้ปริพาโชกทั้งสองท่านสามารถเข้าใจความจริงเกี่ยวกับชีวิต พระฎิกาจารย์ได้กล่าวไว้ในวิสุธทธิมรคมหาดีกาว่าคาถานี้เป็นคําสอนเกี่ยวกับหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อและท่านได้อ้างอิงพระสูตรว่าเมื่อมีเหตุย่อมมีผลตามมาถ้าเหตุสิ้นไปผลก็สิ้นไปด้วยดังนั้นอวิชชาจึงเป็นเหตุให้เกิดสังขารเป็นต้นและเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เมื่ออวิชาดับสังขารก็ดับจนถึงที่สุดความทุกข์ย่อมดับไปด้วยตามที่กล่าวไว้ในคำพีมหาดีกาคาถาข้างต้นเป็นการสรุปคำสอนทั้งหมดไว้ทั้งในฝ่ายอนุโลมคือการเกิดขึ้นของทุกข์และฝ่ายปฏิโลมคือการดับของทุกข์คำพีฝ่ายมหายานกล่าวว่า คาถานี้เป็นพระสูตรสรุปใจความของปฏิจจสมุปบาทมีความเชื่อกันว่าการเขียนคาถานี้ไปบูชาตามเจดีต่างๆจะก่อให้เกิดบุญกุศลมากด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้พบคาถานี้ตามเจดีโบราณโดยเหตุที่สัจจะทั้งสองอย่างแรกหมายถึงปฏิจจสมุปบาท ในส่วนที่เกี่ยวกับการเกิดของทุกข์และเหตุเกิดของทุกข์ในขณะที่สัจจะทั้งสองอย่างหลังหมายถึงปฏิจจสมุปบาทในส่วนที่เกี่ยวกับความดับของทุกข์และทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ดังนั้นคำอธิบายที่กล่าวไว้ในคำภีอัตถกถาว่าเป็นคาถาที่แสดงอริยสัจสี่ และคํากล่าวที่ปรากฏในคาภีมหาดีกาว่าเป็นคําสรุปใจความของปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นไปได้ทั้งสองอย่างใจความเรื่องเหตุผลและผลในสายห่วงโซ่แห่งปฏิจจสมุปบาทสรุปได้ดังนี้คืออาวิชาในภพก่อนเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขาร คือเป็นเหตุให้บุคคลทมพูดและคิดสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลห้าอย่างในภพนี้คือวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาผลเหล่านี้กลายเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปทานและกรรมภพ ซึ่งเป็นเหมือนเมล็ดพืชสำหรับการเกิดใหม่ต่อไปและผลที่ติดตามมาก็คือชารามรณะความเศร้าโศกและความทุกข์ต่างๆวนเวียนอยู่อย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึง้งปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึง้ง ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอนนท์เมื่อคราวเมื่อพระอนนท์เข้าผลสมบัติแล้วออกจากสมบัติได้พิจารณาปฏิจจสมุบาทข้างต้นไปหาปลายและจากข้างปลายมาหาต้นแล้วได้เห็นว่ามีความกระจางแจ้งไม่มีความยากลำบากอะไรจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งก็จริงแต่สำหรับข้าพระองค์แล้วเป็นเหมือนธรรมที่เข้าใจได้ง่ายพระพุทธองค์จึงตรัสทักท้วงว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอานน์ในคำพีอัตถกถาได้อธิบายว่าพระดํารัสนั้นเป็นทั้งคำชมเชยและคำตาหนิ หมายความว่าอานน์เธอเป็นผู้มีปัญญามากจึงเป็นการง่ายที่เธอจะเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทแต่อย่าคิดว่าผู้อื่นจะสามารถเข้าใจได้ง่ายๆเช่นกันการที่พระอานน์สามารถเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทได้ง่ายนั้นเป็นเพราะเหตุสี่ประการคือหนึ่งได้สั่งสมบารมีมาแล้วในภพก่อนก่อน 2. ได้รับคำสั่งสอนจากอาจารย์ที่ดี 3. เป็นพหูสูตร 4. ได้บรรลุเป็นอริยบุคคลระดับพระโสดาบาันลแล้วในแสนกับที่ล่วงมาแล้วพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระราชบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่าอานนน ทรงครองเมืองหงสาวดีพระปทุมุตระพุทธเจ้ามีอัครสาวกชื่อว่าพระเทวีละและพระสุชาตะมีภิกษุอุปถากชื่อพระสุมณนะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้เสด็จไปพร้อมกับภิกษุสงแสนรูปเพื่อโปรดพระราชบิดาที่ประทับอยู่ในพระนครหงสาวดี ในคราวนั้นพระอนตนลได้เกิดเป็นเจ้าชายสุมนณะพระกนิทภาดาของพระปทุมุตระพุทธเจ้าท่านได้รับแต่งตั้งจากพระราชบิดาให้ไปปกครองหัวเมืองชายแดนและท่านสามารถปราบกบฏได้สำเร็จพระราชบิดาจึงทรงอนุญาตให้ขอพรได้ตามความต้องการ เจ้าชายสุมาณะขอโอกาสอุปถากพระพุทธเจ้าเป็นเวลาสามเดือนแต่พระราชบิดาไม่ประสงค์จะอนุญาตตามคำขอเพราะหน้าที่อุปถากพระพุทธเจ้านั้นเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวจึงตรัสเลี่ยงไปว่าน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นรู้ได้ยากหากพระพุทธเจ้าไม่ทรงประสงค์จะเสด็จไปที่วางของเจ้าชายสุมานณะ พระองค์ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เจ้าชายสุมนณะจึงไปที่พระวิหารเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ในพระคันธกุฎีพระภิกษุจึงทูลแนะนำให้ไปหาพระสุมนณะเถระซึ่งพุทธุปปัปทาเพื่อให้พาเข้าเฝ้าครั้นเมื่อเจ้าชายสุมนณะได้เข้าเฝ้าแล้ว ก็ได้กราบทูลว่าพระสุมาณเทระได้ทำสิ่งที่ยิ่งกว่าภิกษุรูปอื่นๆและได้ทูลถามว่าภิกษุรูปนี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงได้เป็นที่โปรดปรานของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าภิกษุรูปนี้ได้ทำบุญให้ทานและรักษาศีลไวมาก เจ้าชายสุมณะจึงทูลอรัธนาให้พระพุทธองค์เสด็จไปประทับจำพรรษาที่หัวเมืองชายแดนเพื่อท่านจะได้มีโอกาสรับใช้พระพุทธองค์และบำเพ็ญกุศลสั่งสมบารมีเพื่อให้ได้เป็นพุทธุ ป, ปัฏฐากในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการพระพุทธองค์ทรงดาริว่า การเสด็จเข้าจำพรรษาที่หัวเมืองชายแดนจะเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากจึงตรัสว่าดูกร ะ, ระสุมนะตถาคดพอใจความสงบวิเวกซึ่งก็หมายความว่าพระองค์ทรงรับอรัถนาโดยปริยายและทรงประสงค์จะให้สร้างที่พำนักในสถานที่สงบวิเวก เมื่อเจ้าชายสุมาณทรงทราบว่าพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาแล้วจึงได้เสด็จไปล่วงหน้าและทรงรับสั่งให้สร้างวิหาร120หลังห่างกันหลังละหนึ่งโยชหนึ่งโยศเท่ากับ16กิโลเมตรเพื่อให้พระผู้มีพระภาคได้ประทับค้างแรงอย่างสะดวกสบายในระหว่างทางเสด็จ ตลอดร้อยี่สิบโยดหลังจากนั้นได้ทรงซื้อสวนแห่งหนึ่งชื่อโสพภนะด้วยเงินแสนกะหาปณะแล้วให้สร้างพระคันธกุดีอันวิจิตงดงามด้วยเงินแสนกะหาปณะและกุติพระภิกษุสงฆ์เป็นต้นเมื่อทรงจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมสท์แล้วเจ้าชายสุมนณะจึงได้ส่งสารไปกราบทูล พระราชบิดาใหอรัธนาพระผู้มีพระภาคสเสด็จมายังหัวเมืองชายแดนเมื่อพระผู้มีพระภาคสเสด็จถึงหัวเมืองชายแดนแล้วเจ้ชาชายสุมณะพร้อมทั้งประชาชนพลเมืองได้พากันออกไปถวายการต้อนรับในหนทางหนึ่งโยธก่อนจะถึงเมืองและบูชาด้วยดอกไม้ของหอมต่างๆแล้วนำสเสด็จไปยังพระวิหาร ได้กราบทูลถวายวัดนั้นเป็นพุทธบูชาต่อมาเจ้าชายสุมนณะได้ทรงถวายมหาทานและทรงชักชวนให้ชายาและบุตรทีดาพร้อมด้วยบรรดาอมสาราชบริพานให้ถวายทานเช่นเดียวกับพระองค์บ้างโดยตรัสว่าพระผู้มีพระภาคได้เสด็จมาที่นี่พระทรงเมตตาพวกเรา ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิได้ปรารถนาลาบและสักการะแต่ทรงพอพระทัยในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเรานั้นประสงค์จะบูชาพระผู้มีพระภาคด้วยการปฏิบัติธรรมรักษาศีลสิบในสำนักของพระพุทธองค์ตลอดสามเดือนดังนั้นขอให้พวกท่านช่วยกันปรนิบัติดูแลภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทุกๆุกวันตลอดพรรษา ดังเช่นที่เราได้ทำในวันนี้